พระพุทธเจ้าบอกว่าสร้างภพนะภพเล็กภพน้อยก็เหมือนอุจจาระนะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ไม่น่ารับประทานอย่างเงี้ยกดเล็กๆก็สร้างภพขึ้นมาเหมือนกันอ้าวแล้วคนโน้นล่ะส่งกันบ้านไหมอ้าือหน่อยนี่ก็ดูมันไหลๆไปใช่ได้ได้นะเพิ่งจะเริ่มกดเดี๋ยวนี้ี่ใช้ได้ละอ้าเบอร์เก้าสิบก็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 มาเยี่ยมกันเฉยๆได้กลับแล้พัสกาหลวงพ่อค่ะถ้ากลังในบ้านจะเริ่มเห็นใจที่มันเคิมลงไปบ่อยๆอ่ะดีนะแล้วเคิมนะค่ะแล้วมันจมแล้วมันก็ค่อยๆไหลเข้าไปนะคะความมันเคิมได้ที่มันอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้ยหลวงพ่อเห็นแล้วอยากทุบพอไปอยู่ตรงนี้หลายๆปีก็ไม่ได้อะไรเข่าใจไหมค่ะอ่าแล้วมันต้องตื่นขึ้นมาฟึกครับ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 นั่งอ่ก็เริ่มมีแต่ความสุขเอาอะไรนั่งหนาหนูหนูเพิ่งได้เห็นว่าเออมันมีโทษมากๆเลยค่ะหลวงพ่อใช่มันทำให้เราเนี่ยนะไม่เบื่อหน่ายสังสารวัติเราก็จะมีความเพลิดเพลินหลงอยู่กับสังสารวัตไปเรื่อยๆ้ใจเราไปเคลิ้มเคลิมกล่าวขอบพระคุณนี่เหลือเลยแต่ว่าใจสบายกว่าเมื่อกี้ดูออกไหม